ตังใจฟังธรรมเทศนาให้ดีฟังดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีไม่เกิดปัญญาฟังดีคือมีลักษณะอย่างไหนต้องตั้งใจสงบฟังพิจารณา ธรรมะที่ท่านเทศไปนั้นโดยสฉพาะไม่ได้ส่งไปในที่อื่นในการที่ฟังโดยเฉพาะนั้นไม่ใช่ไปรู้หมดที่ท่านเทศมากมายไม่จะไปรู้ทั้งหมดแต่หากมันจะไปถูกกับนิสัยจริตของตน ข้อสักข้อสักคำนึงเอายึดเอา น, นั่นเป็นหลักอันนั้นเรียกว่าได้อุบายเรียกว่าได้ปัญญาการที่ฟังมากคิดไม่สงบจดจำได้ท่อยคมนั้นจริงอยู่แต่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา จำได้เฉยแต่ไม่เขาทราบซึ่งเขาถึงใจถ้าหากทราบซึ่งเขาถึงใจสักขอคำหนึ่งก็ได้แต่มันจำไม่ลืมและกว่วงขวางหาที่สุดไม่ได้นั่นเรียกว่าผู้บายเกิดขึ้นภายในใจของตน ในการที่จะเทศในวันนี้จะจะเทศถึงเรื่องความความที่เป็นของโปร่งปลอดโปร่งความที่ปลอดโปร่งไม่มีประมาณใ น, นอย่างและความตันคือไม่รู้น่นอย่างนี้น พูดถึงความตันก่อนปิดตันทุกสิ่งทุกอย่างปิดมดที่เขาเรียกว่าถารทั้งเกา่าถ้าพุทธรูปปิดถวาวรทั้งเกา่าเร็วอยู่คงคงกับพันคือปิดหูปิดตาปิดถารทางนกทถวาวรเบา เลยไม่มีทางออกนั่นเรียกว่าปิดทวาร <c oughs> การปิดทวารคือหมายความถึงการทำรวมระวังไม่ให้ไปส่งออกไปภายนอกแต่เมื่อไปส่งออกไปภายนอกมันก็ปิดมันก็อยู่อสิ มันจะยิงออกหรือมันจะปันเข่าหรือมันปิดหมดทุถาวนั้งเก่าแล้วมันก็ยิงไม่ออกฟันไม่เข้าทันทีได้แก่ไม่ระเบิดออกไปไม่ส่งไปถ้ามันส่งไปมนันต้องระเบิดไปในอารมณ์ใด้ก็ตามเถอะ ทางตาหูจมูกรียงกายกระชังมันแลเบิดออกไปแล้วมันก็ปรุงไปแตง่งมันก็บานปลายไปจนเป็นโลกไม่เป็นธรรมเสียแล้วโลกอันนี้ไม่มีที่สิดสุดคิดปรุงคิดแต่งคิดอะไรต่างๆไปหลายอย่างวุ่นวี่วุ่นวายไป ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นจึงเรียกว่าโลกแต่เมื่อรว ม, มือแล้วก็ไม่หนีจากกาาโลกก็อยู่ในกาาโลกนั่นแหละคิดอะไรก็คิดเทิดคิดสร้างบ้านสร้างเรือนคิดปรุงคิดแต่ง คิดหาทรัพย์เสียงเงินทองคิดเพิดเพลินกับลูกเสียงกินรสโสดพราธรรมารงลงมารวมในนี้เพิดเ พ, เพลินร่มรงโมเมากับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ว่าโมเมาที่ว่าลุ่มหลงคือไ ม, ไม่ไม่รู้จักต้นจักปล า, ายพูดว่าจะเบียงแค่นน อันนี้เรียกว่าหลงเรียกว่า ม, เมัเมาเออเพลิดเพลินวันไม่ข้ามคืนรุ่งก็เท่านั้นแหละถึงเดือนนึ่งก็เท่านั้นเนี่ยปีสองปีก็เท่านั้นเนี่ยตลอดวันตายก็เท่านั้นเนี่ยไม่ออกช่างนอกไม่ออกนอกช่างนั้นไปไหนะ รุ่นวายแเพียงแค่นะั้อย่างเรื่องโลกมัน่านจะเปนะ็นถ้าเรื่องธรรม้ะคราวนี่มีที่สิ้นสุดพิจารณาอะไรลงไปถึงว่าลูกเอาละเอาลูกเนี่ยซะก่อน พิจารณาความเกิดมันก็ลงทึ่ความดับความแก่ความเท่าความดับมันก็ลงที่ความดับพิจารณาไปไปได้มันก็ลงถึงความตายจิตใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งไปไปก็ไม่มันก็หมดถึงความดับเมื่อไรความมันลงทึ่สรุปลงถึงความหยุดนิ่ง คิดปุงคิดแต่งคิดไปอะไรคิดชอบคิดรักรักสวยรักงามรักโน่นรักนี้รูปเสียงกลื่นรดโวดทัปะมันไปทังไหนรักมันกับอาความตายมันจะลงความตายของเก่าแต่ว่าใจมันไม่ที่ใจมันเป็นโลกมันไม่ตายมันยังเพลินสนุก ไปถึงแม่ตัวนี้ตายแล้วมันก็ยังไม่ตายตัวนั้นไม่ตายมันยังเป็นโลกต่อไปอาหาก็เป็นไทมแล้วมันไม่เป็นมันไม่มันลงหยุดถึงคววมมันหยุดมันไม่คิดนื้ปรุงแต่งมันลงถึงข่วมดับ คิดไปคิดไปกระทึกความดับของเขาจะมากไมายควงควงทั้งอะไรก็ลงดับนั่นแ่ะของนั้นมันดับแล้วบกูนี้ก็ลงดับเหมือนกันความข้อนั้นมันจังปลอดโปร่งเมื่อดับแล้วมันปลอดโปร่งโล่งหมดไม่คับแคบ ไม่เดือดร้อ น, นวุ่นว้ยอูดยความโล่งความปลอดปูมีอิสระในตัวไม่หยูดใจบังคับของมันไม่หยูดใตบังคับของกิเลสเรื่องมอนก็เป็นกิเลส อนือกิเลสท่านจึงเรียกว่าเหนือโลกอยู่ใต้กิเลสท่านเรียกว่ า, าอยู่ในวังคับของกิเลสเรียก่าเป็นโลกเข้ามาโลกุตระตะระไม่ใช่อึดก็อะไรหรอกเหนือกิเลสนี่แหละเรียกว่าโลกุตระยิ่เหนือที่เหนือมากมันกส็สูงขึ้นไป เนื้อน้อยมันก็สูงน้อยสูงก็กินน้อยจะเป็นไล่เทงมากคว่ น, นี้ผ่านไปแล้วเทงชั่นฌานสมาธิสมาบัติโซโดาสกิทาคาณาคาชื่อเหรอือเปล่านะยงงจะชื่อแต่ตัวไม่ไปลอย่างที่อ่ะงตัวใจไม่ไปล ตัวใจไปแล้วไม่ต้องขูดมันก็ถูกนถ้าใจไม่ไปพูดหรือไม่แต่มันไม่ถูกเรียว่าอา๋อโงขคืออยู่เหนือโลกด้วยการอย่างทีเนี่ยเรามาปฏิบัติฝึกขนนกลงใจขางตน ที่มันครุกขี่เยอะโดยโลกงัวเง่าโดยโลกแต่นห้นแต่ไดมาตั้งแต่เกิดมาครุกขีมัวเง่าโ ด, โดยโลกน่ะเนี่ยเราฝึกหัดเดียวนี้มาขจัดเรื่องเหล่านั้นให้ค่อยเบาบางไปค่อยเบาบางจากโลกให้มันเป็นธรรม เกิดมาไม่ไม่รู้ธรรมะไม่เป็นธรรมใจไม่สงบไม่เป็นธรรมไม่สงบมันก็ไม่เห็นธรรมสิธรรมอยู่ที่ความสงบในจังหาไม่ใช่คิดอุ่นวายสงสายมัยังเป็นธรรม อธิบายทั้งเรื่องอริยธรรมวกว้างวกว้างมากมายเรือที่จะก น, นานนับถึงเรื่องรูปเรื่องนามทั้งเรื่องจิตเรื่องใจอธิบายมากมายส่งไปตามอาการเลยไม่เป็นธรรมแต่หากสงบลงมาดีทีแล้วเขียนพวกนี้แล้ว เ, เลยเป็นธรรม เรื่องเ่าเริ่มจะออกไปจากนี้จิตปัญญาเห็นรูปเห็นนามมากมายกวางของมันออกไปจากคนทิ้งหลักในีเสียแล้วก็ไม่เห็นทำเอาไปทาไม้มากมายหลักล้วงหลายอันนี้ก็ยังไม่เห็น เห็นตัวนี้เะก่อนนะจึงค่อยไปมากมายถ้าไม่เห็นของันนี้แล้วของนั้นกับเปาทั้งหมดไม่มีสาระธรรมะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่โน่นที่ท่านเทศนาไว้ในคำพีในลานก็ดีเนหนังสือก็ต่างต่างก็ดี ไม่ใช่ธรรมะมันเรื่องนั้นไม่ใช่ธรรมะเป็นตัวหนังสือจารึกคำพูดส่วนคำพูดตั้งหากแต่ว่าเมื่อเข้าถึงธรรมะแล้วมันไม่ใช่อยู่โ น, โน่นมันไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงคอสงบนี้ เมื่อสงบแล้วเห็นขึ้นในใจของเราไม่ทีนันอย่างน้อยที่สุดก็เห็นจิตของเราว่าเราสงบเห็นจิตของเรานั่นเรียกว่าปัญญาแล้วเกิดความสงบรู้ขึ้นมาแล้วเห็นจิตของเราอันนี้จิตที่มันท่งสายแฟตามอายตนะทั้งหลายนนะั้น อันเนื่งเรี่ยวกิเลสจะรู้ทักเท่าไรจะเอาทักเท่าไรมันส่งไปตามอายตนาทางหกตาหัวจมูกร่ยงกายมันจะออกไปจางนี่ผู้นี้เห็นตัวต้นมาแล้วนะผู้นี้มันออกไปการู้เรื่องเขามันจะเอาไงกันอีกมันคิดมันถูกมันดีมันชั่วมันอยากอันะเอียด มันติดมันคลองมันยึดมันถือสิ่งใดใก้ไปดีนะ เ, เรื่องเลื่อกกิเลสทั้งหมดกิเลสพันธะตันหาร้อยแปดออกไปจากนี้ทั้งนั้นออกไิจากหน้าทั้ง6อกออกง 6, 6นายๆทั้งหกหกนี้ทั้งนั้น ภูนี้สงบแล้วอันเรื่องเหล่นานั้นเลยหายหมดยู่นิ่งคนเดียวที่ท่านว่าอกตะกตาอารมณ์อารมันเดียวอารมณ์เดียวนี่หมายความถึ่จิตจดจ่อจเฉพาะเรื่องนั้นอันเดียว เพิจารณาธาตเฉพาะชดจ่อใน้รื่องาตพิจารณาเฉพาะธานเบิกบานอิบอึบนใเรื่องธาตุธาตุสี่พิจารณาขันห้าจิตใจเฉพาะนั้นจริงๆริงเลยจังไม่ได้สงสัยไปหลายเรื่องหลายอย่างมันเรียกว่าจิตเรียกว่าเอกขจารลม มันลงอันเดียวเอกะขะตาหมายความทังจิตอันเอกจิต อ, อันเป็นเอกนะั้นประเสริฐเลิศยิ่งกว่าสิ่งใดในความมั่งมันมันเห็นนะมันยิ่งกว่าที่ไปรู้ ท้ายนอกอะ น, นะมันเต็มตื้นขึ้นมานะมันเบิกบานขึ้นมาเจงว่าเอกกบตระุาความสงบอันนะนะั้นเป็นของยิ่งงเท่านี้แหละการฝึกฝ น, นอบรมไม่มีอะไรอื่น นอกจากจิตแล้วก็ไม่มีอะไรตัวสติตนนั้นเข้าไปสงบจิตตั้งสติกำหนดจิตให้อยู่ในเอ ก, กาตารมถ้ารักษาจิตได้แนวแน่อยู่ในอารมณ์เดียวไม่พอแหวกงานแงงคอนแคนก็เรียกว่าเอ ก, กาตารม เรามาบวชมาฝึกหัดปฏิบัติก็ต้องการตรงนี้แหละมากมายควองขวั่งท่ไหว่าพูดอะไรมากมายควองขวั่งท่านอะไรท่านอะไรตามเถึงการเราตรงนี้อ่ะต้องจิตเป็นเนื้กล้าอารมณ์จิตเป็นเนกล้าอารมแล้วแน่นิสั ย, ย, ยแล้วเป็นนวัตถูกต้อง สติตั้งใจกำหนดจิตไม่ให้ไปในที่อืน่นเท่านั้นแหละเป็นพอพูดเท่าไรมา ก, มากไม่เลยกันวันข้ามเคยลงจะพูดเท่าไรกับปุถุเถอะอยู่ตรงนั้นอันเดียวมีสติระวังสังวรทุกเมื่อสังวรก็สังวรในสี่หกนอี่จะตีกับคุมจิตนะนะ กายของเรามันก็มีหกอย่างเท่านี้ตางหัว ใ, ใจหัวใจการฝึกหัดก็ฝึกหัดตรงนี้แหละฝึกผลเอาลมก็ฝึกผลอารมตรงนี้ไม่ต้องอาลมที่อื่นให้เห็นตัวให้เห็นเรื่องของเราก า, ายวิชาใจเป็นยังไงดูอยู่อย่างนี้เอาละอาทิตย์ไปกันด้ง สมาธิเป็นของสูงเป็นของละเอียดเป็นของยากที่จะทำได้แต่ไม่ค่อยไม่เกินวิสัยของคนสามัญทั่วไปไม่ต้องทำเราทำสมาธิพึงยินดีพอใจ ในกรรมฐานของเราที่เราทำสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรก็เอาจะพิจารณาพุทธโธหรือพิจารณาอนาปตาสติก็เอาอันนี้เป็นของเลิศประเสริฐสูงสุดท่พระพุทธเจ้าก็เลยสำเร็จอนิพานมาผลอนิพานเพราะอนาปาสติเหตุนั้นเราดำเนินตามรอยพุทธ บาคือตามรอยว่าพุณเจ้าท่านได้สำเร็จแต่ว่าเราจะต้องทำตามให้ท่านทำตามท่านจะสำเร็จแต่ว่าสำเร็จก็มันถูก้อยของท่านแทนท่านดำเนินมาแบบนี้ให้พากระยินดีพอใจในกรรมฐานของเรา ความพอใจนั่นแหละเป็นของดีเลิศสำหรับที่จะก้าวไปสู่ความเจริญข้างหนาถึงที่สุดคือความหลุดพลตั้งแต่ต้นไปแต่ไปคำว่าต้นนี่คือหมายความถึงกิจการงานในทางความมดถ้าหากก็มีศรัทธาแล้ว คือความเชื่อความเลื่อมใสย่อมได้สำเร็จถ้ามีความเชื่อความเล่อมใสสักแต่ว่าทำทำไปเฉยเฉยไม่เป็นผลสำเร็จ <c oughs> ถ้าหากมีศรัทธาเป็นเรื่องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่มีการถอยหลัง แล้วพึงตั้งใจให้แน่วแน่อย่างนี้แล้วจงกํหนดเอาพูดสตินั้นไปไว้ที่ใจนั่นแหละมันใจที่มันแน่วแน่เต็มที่นะจึงค่อยภาวนาพุโทโธหรืออราระอารืสอนาปาสติก็แล้วแต่พี่จะนาลมหายใจเข้าออก หายใจเขา้าพุทธหายใจออกพุทธโธแล้วหายใจออกพุทธโธแล้วหายใจเขา้าพุทธเอาแล้วแต่เธอให้มันแน่วในอันเดียวอันจิต ท, ที่นึกพุทโธนั่นน่ะนึกอนาปานสติมันแนวนันน่ะหายใจแวบแ ว, แ ว, แวบมันกปา ก, กทีนั้นไม่นหนดเตามลมหายใจอะไรอกแ่ว่าให กำหนดรมหายใจแฝบแวะแดพุทธโธหรืออรหังหรือจะเอาอนาปาก็เอาเอาอันเดียวเอาเเอาอันเดียวแน่วแน่โรงอันเดียวจริงๆงเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็จะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วให จับเอานั้นให้ได้ผู้ที่นึกคุดนึกอนาปานสตินั่นอันหนึ่งผู้ที่นึกแล้วผู้ที่ไปเห็นอนาปานสตินั่อันหนึ่งมันเป็นสองคนสองอย่างอนาปานสติเป็นอารมณ์เราไป เ, าเอานั่นเป็นอารมณ์แล้วจิตไปเอานั่นเป็นอารมณ์ไปยึดเอานั่นเป็นอารมณ์ เรากำหนดเอาผู้ไปยึดนะไม่ใช่ไปเอาอนาปะสติเรียกว่าเงียบขายผู้ปายของเราจับวันนั้นให้มันได้ผู้ไปยึดหนึ่งนะผู้ไปยึดหนึ่งจับวันนั้นนะผู้ไปยึดเหมือนกับตาเราเห็นลูกลูกมันเปของภายนอกเราก็เห็นเนี่ยไปเห็นลูกภายนอกเราอย่าไปยึดเอาลูก ยึดเอาผู้รู้นัน่นดังฮะผู้ไปรู้ว่ารูปนัน่นดังฮะตอนนั้นเน่ยเรื่องของสําขัญที่จะจับออกให้ได้ถ้าหากยังไม่ทันเป็นมันก็ยังอยู่ยังจับไม่ได้ถึงพูดนี้ก็สงสัยอยู่มันถ้าหากจิตมันเป็นแล้วมันผู้รู้นั่นไม่ต้องพูดย า, ากฟ้ากดขึ้นมาเลย ไม่เอาตรงนั้นให้มันได้ไม่ทัอธิบายตอนไหนพอแะตั้งใจทําเลย